มีว่าประวัติย่อพระอาจารย์สุวัสดิสวจโจจากหนังสือเนื่องในงานพระราชทานเพลงิงศพพระโพธิธรรมอาจารย์เถนสุวัสดิสวโจพระเดชพระคุณพระโพธิธรรมาจารย์เถนสุวัสดิส ว, สวจโจท่านเป็นศิษย์ต้นของท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรและได้ฉายานามจากท่านพระอาจารย์ฟั้นว่ามือขวาเดิมท่านชื่ออุ่ง สกุลทองสีเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2462ตรงกับบันสุขขึ้นสีค่ำเดือน10ปีมาแมณ ห, หมู่บ้านตากูกตำบลตากูกอำเภอเมืองจงังหวัดสุรินทร์ดดาชื่อบุตรมารดาชื่อกึ่งทองสีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา5คนท่านเป็นบุตรคนกลาง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 เทีววิ่งไล่ต้อนวัวควายอยู่กลางทุ่งช่วยบิดามารดาครา่าไถปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลาว่างก็ไปจับกูจับปลาหาอาหารตามประษาเด็กบ้านนอกพอตกตอนเย็นเย็นพวกเด็กเลี้ยงควายก็จะจูงวัวควายของตนไปที่แหล่งน้ําเพื่อให้วัวควายอาบน้ํากินน้ําพวกเราเป็นเด็กเลี้ยงควายก็จะขึ้นฉี่หลังควายกระโดดน้ําอย่างสนุกสนานดําผุดดำว่ว้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 ไปเล่นบ้านเขาอย่าไปนั่งนานเสียเวลางานของเราให้กลับมาเร็วๆทะลูกถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ใช้ไปธุราบ้านคนอื่นเขาไม่อยู่ต้องไปนั่งรอจนกว่าเขาจะกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะบอกแม่ว่าแม่อย่ากโกรธนะที่ไปนานไปนั่งรอเขาอยู่รอจนกว่าเขาจะกลับมาเขาไปหาเพื่อนอยู่จึงต้องนั่งรอคอยเขาเมื่อพูดอย่างนั้นแม่ก็ไม่ว่าอะไร พ่อตกตอนค่ำมืดก็ไปตมข้าวกับพวกสาวๆเราเป็นคนตำเข้าเป็นคนฝันข้าวตามระษาหนุ่มสาวบ้านนอกบางทีพวกสาวๆก็เอาบุหรี่มาให้สูบนอกจากนี้บางวันก็ยังได้ชวนพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันออกไปหาของป่าเช่นหน่อไม้ยอดตำลึงผักขมยอดผักหวานยอดขี้เหล็กเพื่อเอามาต้มแจงให้เป็นเครื่องเยียวยาอัตภาพร่างกายบางทีช่วยพ่อแม่ทอหู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 ใจที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานก็เกิดความใคร่ในการบรัพชาทั้งที่ก่อนหน้านี้ใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอยากอยู่กับพระเนนอยากเข้าไปรับใช้พระเนนในวัดเห็นเด็กวัดอยู่กับพระกำเนนเดินตามพระเนนอยากเป็นอย่างเขาบ้างอยากให้ชีวิตสงบระงับมีความฝักใฝ่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นลึกๆคิดอยู่เสมอว่าเติบใหญ่ขึ้นมาต้องบวชเป็นพระ ต้องศึกษาหาความรู้ให้เกิดสติปัญญาเอาปัญญาที่มีอยู่ไปสอนและนำผู้อื่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นคนทุกจนทนโลกในขณะนั้นบิดามารดาให้ไปเรียนหนังสือชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดกระพุมรัตอันเป็นโรงเรียนวัดกระจาหมู่บ้านเหตุที่ต้องเรียนหนังสือตอนโตแล้วเนื่องจากปีพุทธศักราชสอง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 โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีอายุมากกว่านั้นก็มีเคยมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาโรงเรียนมาก่อนเลยก็มีบางแห่งบางที่ทําเอาครูวุ่นวายโกลาหลเลยก็มีอายุ2 0่สถึงสาปีพึ่งจะเริ่มเรียนปหนึ่งบางคนเรียนได้หนึ่งสองเดือนก็เลิกเรียนไปจะเหลือก็เฉพาะพวกเด็กๆ เ, เท่านั้นจบปสมศึกษาปีที่หนึ่งบ้างประถมศึกษาปีที่สามบ้าง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 ถึงเราไม่เก่งเลิศเลืออะไรก็นับได้ว่าเป็นเด็กมีไหวพริบในห้องเรียนมีสติปัญญาดีพอสมควรเพราะตลอดเวลา4ปีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีอุปสรรคการสอบไล่แต่ละปีก็สอบได้จึงได้เลื่อนชั้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงปีสุดท้ายของการเรียนก็สอบไล่ได้จบหลักสูตรชั้นปถมศึกษาปีที่4อายุได้16ปีเต็ม เป็นหนุ่มแตกผ่านก็เรียนจบพอดีเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้ช่วยบิดามารดาทำนาทำสวนต่อไปทำนาเก็บเกี่ยวข้าวหนึ่งเกวียนสามสิบหกถังขายได้ยี่สิบบาทนำเงินไปซื้อทองคำหนักห้าสิบสตางค์เก็บไว้เมื่อมาคิดอีกทีว่าเราทำงานมาก็มากแล้วเงินทองกับความเหนื่อยที่ทุ่มเทลงไป ก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่สมน้ําสมเนื้อกันบางปีขายข้าวได้ไม่กี่บาทแต่ทํางานทั้งปีเหนื่อยยากเหลือเกินจึงเข้าไปเรียนวิชาช่างตีทองที่บ้านเพ่าไปเป็นลูกจ้างเข้าเสียก่อนแอบเรียนเอาวิชาสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําต้องละเอียดรอบคอบมีความพอดีในการกระทําอย่าให้สิ่งของที่มีค่ามากเสียหายการมาเป็นช่างทองนี้ จึงทําให้เราละเอียดรอบคอบมากขึ้นวันหนึ่งตอนสายเราได้ต้อนวัวควายออกไปกลางทุ่งนาอันเว้งว้างซึ่งเป็นฤดูเจ็บเกี่ยวที่ชาวบ้านทั้งหลายได้เจ็บเกี่ยวข้าวในนากันจนหมดสิ้นแล้วมองเข้าไปในกลางทุ่งนาอันเว้งว้างนั้นจะเห็นลองฟางตั้งตรงเป็นยอดแหลมๆเหมือนยอดเจดีย์เป็นเจดีย์ลองฟางที่ตั้งตระ ง, งานชั่วคราวอยู่กลางทุ่งนา แต่พออีกไม่นานนักลองฟางนั้นก็จะถูกชาวบ้านทยอยดึงฟางนั้นออกไปทีละเล็กทีละน้อยให้วัวควายกินเจดีลองฟางนั้นก็จะค่อยๆพังทลายลงเมื่อเรามามองเห็นดังนั้นใจมันก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จวนตัวใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วชีวิตของเรานี้ถูกบีบได้กฎธรรมชาติ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 ถูกไฟเผามอดไหม้ทิ้งไปเปล่าๆ เ, เมื่อสิ้นสุดฤดูเจ็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานช่วงนี้แหละชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเขาจะพากันเที่ยวเตตเตยตามงานมหอดรศศในหมู่บ้านอื่นๆบ้างไปรับจ้างทํางานในตัวเมืองในเมืองหลวงบ้างหรือหางานอื่นมาทําเพื่อเจือจุนครอบครัวบ้างส่วนเราในปีนั้นไม่ไปเที่ยวที่ไหนไหน นั่งมองเมือรลอยทอดสายตาออกไปกลางทุ่งนาอันเวงว้างที่มีแผ่นดินอันแตกระแหงมีลมหมุนเป็นเกลียวเล็กๆหอบเอาเศษหญ้าและฝางข้าวปลีวว่อนขึ้นไปบนอากาศเป็นกลุ่มก้อนเสียงดังวีดวิวมีเสียงกระดิ่งวัวควายดังมาเป็นระยะ ะ, ยะเหมือนเสียงสัมผัส พ, พิเศษที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจให้รึกถึงบุญคุณ ของมันที่เคยคล้าถ่าทำไร่นาจนได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงชีวิตมองลงพื้นนาด้านซ้ายขวาใกล้ๆจะเห็นกองมูลวัวควายเรี่ยราดในกองมูลวัวควายนั้นยังมีแมงกุฎจีนาเอามาเป็นอาหารได้ก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นว่ามูลวัวควายเพียงแค่นี้ยังมีคุณประโยชน์ต่อเราและต่อแผ่นดิน ในมูลนั้นยังมีแมงกุดจี่ที่เรานามาเป็นอาหารได้ส่วนมูลวัวควายนั้นยังเป็นปุ๋ยทำให้ข้าวกล้างอกงามทำให้แผ่นดินไม่แห้งจืดแล้วเราหลักมีประโยชน์อะไรบ้างที่มีคุณค่ากว่ามูลวัวควายนี้บ้างไหมเมื่อคุนคิดพิจารณาถึงชีวิตของตนดังนั้นก็ดาริภายในใจว่าเรานี้หนอ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 ชีวิตทุกชีวิตคล้อยเพื่อจะบายหน้าไปสู่ความตายถูกลิด ร, รอนด้วยความแก่และความเจ็บเหมือนฟางถูกดึงออกจากลองฟางเพื่อนำไปเป็นอาหารให้วัวควายทุกๆุกวันเมื่อฟางนั้นถูกดึงออกเรื่อยๆหลองฟางนั้นก็จะแสดงอาการเอ็นเอียงในที่สุดเจดี JD ฟางนั้นก็จะพังทลายเหมือนชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บแล้ว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 โอสัตว์โลกทำไมต้องเที่ยวสร้างโลกสร้างทุกข์สร้างอาณาจักรอันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเสมอเพื่อเผาหลนตัวเองขณะที่นั่งในตาเมอรลอยมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายอยู่อย่างนั้นบังเอิญตาเหลือบไปเห็นภิกษุสองรูปกําลังเดินลัดผ่านทุ่งนาอันแสนเืวองวางหมคลุมผ้าสีกลัดออกคล้ำคล้ ผ่าย้อมด้วยน้ำฝาดสภายบาดแบกปลดเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวเร่งฝีเท้าเดินดุ่มดุ่มไปข้างหน้าโดยไม่อาลัยเสียดายแก้สายตาชาวบ้านที่เพ่งมองหน้าเลื่อมสายยิ่งนักเวลาก้าวเดินเหมือนพญาคตฉสานมีความหนักแน่นมีสติสัมปชัญญะอยู่พร้อมบริบูรณ์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 เราคุงคิดเอาเลือกเอาเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นจึงขุนคิดขึ้นภายในใจอีกว่าพระภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรสองรูปนี้เราดูอาการเดินที่มุ่งหมายไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจท่านต้องมีที่หมายแต่เออะไรเล่าเป็นที่หมายของท่านเราจะต้องรู้ให้ได้เออเราต้องออกบวชเป็นพระธุดงค์แบบนี้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 นำมาซึ่งความเลื่อมใสใจใจเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงเกิดศรัทธาพร้อมพร่างขึ้นในขณะนั้นกราบท่านเสร็จแล้วก็ไล่ต้อนวัวควายกับเข้าคอกที่บ้านตามเดิมแต่ภายในใจนั้นอย่างเมื่อโนภาพถึงพระกรรมฐานสองรูปนั้นเสมอเสมอทั้งที่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านเราก็ไม่รู้แต่มีความศรัทธาเลื่อมใสในท่านเป็นยิ่งนัก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 ความเกิดที่แสนจะทุกข์ทรมานความเจ็บที่สุดจะทุกข์จะทนเสียงร้องระงมทั้งคนจะเกิดทั้งคนจะให้เกิดเราต้องคอยหาอะไรมารองช่วยจับช่วยดึงช่วยบอกอา้าเบ่งเบ่งค่อยๆเบ่งเราต้องคอยบอกอยู่อย่างนั้นเหม็นขาวเหมือนกันในขณะนั้นสารพัด ท, ที่เราจะทำสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่วันเกิด มาประจักษ์แจ่จิตใจเอามากในวันนั้นสงสารก็สงสารสังเวชก็สังเวช ท, ทั้งเลือดทั้งรกพระคนปนกันออกมาเราก็ทั้งคลานทั้งจับทั้งดึงทั้งมุดหน้ามุดหลังไม่มีใครอายใคร ล, ละเพราะคนมันเจ็บปวดจะตายความเกิดเป็นทุกประจักษ์ใจแบบไม่มีวันลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราเองขึ้นมาทันที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 จากวันหนึ่งเราจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเพราะความสลดสังเวชในวัฏะสงสารคราวนั้นนับได้ว่าเป็นมหาสังเวชเลยทีเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการเกิดสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพไม่มีใครสามารถกำหนดได้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 ในปีพุทธศักราช2481อายุ19ปีเราจรึงขออนุญาตพ่อแม่บวชเนนพ่อแม่ก็ยอมเพราะเข้าใจในจิตใจของเราเป็นอย่างดีเพราะเรามีนิสัยแปลกกว่าคนอื่นชอบอยู่เงียบๆ เ, เรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ชอบยุ่งกับใครแม้อายุเราสมควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ไม่สนใจสาวใดเลย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 อายุก็ได้20ปีแล้วและยังอยากบวชอยู่จึงขอพ่อแม่บวชอีกสักครั้งบวชที่วัดเดิมคือวัดกระพุมรัตตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยมีพระครูธรรมทั์ที่มนดันเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระอุปชา